Oh.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 ที่จริงน่าต้องศึกษาก่อนด้วยซ้าไปเราอาจจะศึกษาหลายศาสตร์หลายขแขนงอาจจะศึกษาแพทย์ศาสตร์นิติศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์อันนั้นก็มีประโยชน์ศึกษาไปเถอะหลายขแขนงศึกษาได้แต่อย่าลืมศึกษาเรื่องชีวิตโดยสายธรรมะนี่นะเป็นการศึกษาชีวิตที่ดีที่สุดเลยเพราะว่าการศึกษาภายนอกนั้นในศาสตร์ต่างๆ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 สุตมะยาปัญญาคือปัญญาเกิดจากการได้ยินได้ฟังได้อ่านได้ดูเรียกว่าปัญญาในขั้นรู้จำรู้จักเป็นประโยชน์เอาไว้พูดคุยกันเอาไว้ตอบคำถามเข้าใจได้ปัญญาขั้นต้นแต่ว่ายังดับทุกได้ไม่ตลอดจะสังเกตว่าเช่นเราเข้าใจว่าความโกรธเป็นทุก เราเข้าใจความโกรธเป็นทุกข์อันนี้รู้แค่รู้จำรู้จักแต่เราก็ยังมีความโกรธอยู่แสดงว่าปัญญาขั้นต้นเนี่ยดับทุกเรื่องความโกรธไม่ได้จึงมีปัญญาในขั้นที่สองก็เียว่าจินตามายปัญญาปัญญาเกิดจากการคิดนึกพิจารณาหาเหตุผลอันนี้ลึกเข้าไปกว่าขั้นที่ยินได้ฟังแต่ก็ยังดับทุก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 ไม่น่าทาอะไรอย่างนี้เลยยิ่งคิดให้ละเอียดลึกซึ้งบางทีโกรธหนักกว่าเดิมแต่ว่าปัญญาในขั้นคิดนึกเนี่ยดับความทุกข์เรื่องความโกรธไม่ได้จินตามยะปัญญาต้องเป็นปัญญาขั้นที่สามอันนี้เป็นปัญญาขั้นสูงสุดเลยเขาเรียกว่าภาวนามยะปัญญาปัญญาเกิดจากการลงมือปฏิบัติฝึกฝนก จ, จิตใจต้องมีการปฏิบัติมีการทดลองฝึกฝนก จ, จิตใจ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 ถ้ามันไม่มีตัวไม่มีตนเนี่ยไม่ควรยึดมั่นถือมั่นปล่อยวางความโกรธต่อไปก็จะไม่โกรธอีกต่อไปจิตก็เลยพ้นจากความโกรธไม่โกรธอีกต่อไปเห<ม>็นไหมนี่ปัญญาเกิดจากการภาวนาสัมผัสรู้อันนี้เป็นปัญญาที่ดับทุกข์ได้ที่แท้จริงศาสนาพุทธเนี่ยมีปัญญาในสามขั้นแบบนี้แต่ขั้นที่ดีสุดคือขั้นภาวนาภาวน า, านี่อย่าไปคิดว่าจะต้องไปนั่งบนพืมบำบัดโตโยะไม่ใช่ ภาวนาแปลว่าทําจิตให้เจริญภาวนาการทําจิตให้เจริญไม่ต้องบ่นพึมพําก็ได้แต่ถ้าเราขยันรู้สึกตัวเนี่ยจิตมันก็เจริญบ่นพึมพํานั่นคือ เ, เรียกว่าบริกรรมต่างจากคาว่าภาวนานะบริกรรมคือยุบเนอบองเนอพุโทโธบริกรรมแต่ภาวนาคือไม่ต้องบริกรรมรู้เฉยเฉยรู้เฉยเฉยก็เป็นการภาวนา เพราะเการขยันรู้อันนี้คือปัญญาสามขั้นคนส่วนมากใช้ปัญญาในขั้นแค่ขั้นที่หนึ่งขั้นที่สองแค่คิดนึกก็จบแล้วก็จะขอยกตัวอย่างยกตัวอย่างนะก็มีคนอยู่สามประเภทประเภทที่หนึ่งเป็นนักคิดนักคิดประเภทที่สองคือนักวิทย์ประเภทที่สามคือนักจิตเนี่ยสามประเภทเนี่ยต่างกันนะ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 ทำไมจึงไม่ได้เงินไม่ได้ทองทำไมจึงไม่ได้ลาบไม่ได้ยศทำไมจึงไม่มีใครมาสันเสริญเราน้อยเนื้อต่ําใจฆ่าตัวตายเพราะความคิดตัมีคนที่ฆ่าตัวตายเนีเพราะคิดมากนะความคิดพาไปฆ่านะแมวมันไม่ฆ่าตัวตายแล้วแมวมันไม่คิดมากแต่คนฆ่าตัวตายเพราะคิดมากคนเป็นโรคกิดโรคประสาทเพราะคิดไม่เป็นระเบียบคนนอนไม่หลับเพราะเป็นคนคิดมากเพราะนั้นนักคิดจึงดับทุกข์ไม่ได้ แต่คิดออกมานี่ภาษาสละสลวยมากต่อไปนักวิท ย, ทยาศาสตร์ชอบทดลองทดลองให้รู้แจ้งเห็นจริงแล้วก็สรุปออกมาเป็นสูตรอัน น, นักวิทยาศาสตร์แต่ก็ยังมีความทุกข์นักวิทยาศาสตร์เนี่ยมีไหม <c oughs> ยังมีความทุกข์อยู่ <c oughs> เขาเล่ายว้ว่ามีนักวิทยาศาสตร์ท่านหนึ่งชอบทดลอง ในระหว่างก่อนจะเข้าห้องทดลองเนี่ยต้องทำสมาธิให้จิตสงบสปาณที่ดีมีประโยชน์มากในการทดลองทำสมาธิเสร็จแล้วก็เข้าทดลองทดลองผสมสูตรต่างๆทำในวิชาที่เราตั้ ง, งใจไว้จะทดลองเอิญเวลาอยู่ในห้องทดลองเนี่ยมักจะมีแมว <c oughs> เขาเรียกแมวไว้มีแมวร้องอยู่หน้าห้องทา <c oughs> ต้องเสียเวลากับการเสียสมาธิมา <c oughs> เปิดประตูรับแมวเข้าไป รับแมวที่เลี้ยงไว้ไว้ในห้องก็ทดลองอย่าเดี๋ยวมีม้าอีกตัวงนละกลยตัวหลังเลยแก้หาโดยการเจาะรูวะเจาะรูประตูวะให้แมวมันเข้ามาเจาะไว้รูเล็กแมวตัวเล็กเข้าพอทดลองต่อไปมันมีมาอีกตัวงอีตัวใหญนะ่มันเข้ารูนี้ไม่ได้ก็เจาะอีกรู <c oughs> เป็นรูที่สองแมวสองตัวเจาะสองรูเลยนี่ดีนะไม่มีตัวที่สามเจาะรูที่สามต้องเจาะรูใหญ่นะ่อ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 ไม่ค่อยสง่างามแต่ว่าใจก็ไม่เป็นทุกข์สามประเภทเนี่ยมารวมกันหาข้อสรุปสักอย่างหนึ่งเจอถังน้าอยู่ใบในน้านะมีถังเต็มเลยเขาถามนักคิดจะบอกว่าอ๋อเนี่ยมันต้องหนักแน่เลยเนี่ยเพราะมันมีน้ำมันจึงหนักแล้วก็จบแค่นั้นไม่ไปยกนักคิดคิดเดาก่อนหนักมากไม่รู้ยกว่าเหตุผลแล้วก็หนักไ้ก่อนแล้วก็ไม่ไปยก ส่วนนักวิทยาศาสตร์ต้องทดลองเดินไปยกโอ้มันหนักวางสรุปได้วันหนักทดลองส่วนนักจิตคือนักธรรมเนมทำยังไงรู้ไหมก็ไปยกเหมือนกันเพราะธรรมะเนยต้องมีการพิสูจน์ต้องทดลองเหมือนกันไปยกขึ้นมาโอ้มันหนักแต่ใจไม่เป็นทุกข์แสดง ว, ว่าธรรมะเน่ยทำอะไรก็ได้แต่ใจต้องไม่เป็นทุกข์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 ตำราเล่มใหญ่คือกายกับจิตเราใครผู้อ่านตำราสติสัมปชัญญะเป็นผู้อ่านตำรากายจิตคือตำราเล่มใหญ่พระไตรปิฎกแปดหมืสี่พันธรรมขันเนี่ยเอามาจากกายจากิตทั้งนั้นอะเรียนรู้จากกายจากิตแล้วก็ไปเขียนขึ้นมาวิธีการศึกษาชีวิตนั้นเราต้องมารู้จักคําว่าสติสัมปชัญญะก่อนสติคือความระลึกได้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 เห็นไหมคนตายแล้วเนี่ยไม่มีความรู้สึกตัวแล้วคนนั่งให้เฉยแล้วก็จ่ายมือ้อยไปนอกข้อประชุมเนี่ยอันนี้ก็ไม่มีความรู้สึกตัวนะเพราะมันออกไปจากตัวแล้วเพรา ะ, ะนั้นความรู้สึกตัวเนี่ยคือชีวิตความรู้ ร, รู้ตัวเนี่ยคือชีวิตเดี๋ยวนี้คนเราเนี่ไม่ค่อยมีความรู้สึกตัวจิตไม่อยู่กับกายเราตื่นนอนขึ้นมาเป็นไงมันจะเริ่มีความคิดก่อนใช่ไม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 เดินมาทํางานบางที่เดินเดินไม่รู้ตัวว่ากำลังเดินนะจะไปแต่ข้างหน้าอย่างนให้ถึงอย่างเดียวไล่กันนั่นเดินโทรศัพท์อีกต่างหากบางทีเดินโทรศพัพท์ข้ามถนอนอีกโอ้โหไม่รู้สึกตัวเนี่ยทําด้วยความเคยชินนะเราทํางานด้วยความเคยชินไม่รู้เนื้รู้ตัวว่ากําลังทําอะไรอยู่อย่างเช้าเนี่ยไปออกกําลังกายเห็นเขาวิ่งจ็อกกิ้งไงวิ่งไปโทรศัพท์ไปไม่รู้สึกตัว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 ทีวีหมดเลยไม่มีความรู้ตัวว่ากำลังดูทีวีอยู่อันนี้คือความหลงการใช้ชีวิตทั้งหมดเนี่ยพยายามเติมมารู้เติมรู้เข้าไปมันจะเป็นการปฏิบัติทำไปในตัวในชีวิตประจำวันมันคิดปรุงแต่งก็รู้ว่ามันคิดมันโกรธก็รู้ว่าโกรธมันทุกข์ก็รู้ว่าทุกข์อย่าปล่อยให้มันฟรีขอแค่รู้เป็นหุ้นส่วนสักหน่อยมันเจ็บมันปวดก็รู้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 ปัจจุบันที่กำลังทำอะไรอยู่ให้รู้ตัวอยู่ตรงนั้นนี่เป็นการปฏิบัติธรรมจิตใจไม่เลื่อนลอยแล้วจิตจะเก็บข้อมูลมันจะละเอียดและเป็นระเบียบด้วยคนที่คิดปรุงแต่งแปลนาคตแปลดีนี่จิตไม่เป็นระเบียบแล้ ว, ลวจะเริ่มมีปัญหาแนะอันนี้แหละแต่ว่าการใช้ชีวิตประจำวันอย่างมีสติอย่างความรู้ตัวนี่ยังไม่เพียงพอบางทีมันต้องมีอาหารเสริมเรียกมีของเสริมต้องมีรูปแบบ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 รูปแบบในการรู้ตัวเนี่ยอย่างเช่นว่าการมีสติรู้ลมหายใจเคยทำไหมหายใจเข้าก็รู้หลับตาก็ได้ไม่หลับตาก็ได้สมมตนที่เรามีความรู้สึกที่ลมหายใจเข้าก็รู้ลมหายใจออกก็รู้ลมหายใจเข้าก็รู้ออกก็รู้เนียฝึกรู้ลมหายใจในรูปแบบแต่การฝึกแบบนี้ต้องอาศัยที่ ผลิจากบุคคลภายนอกสักหน่อยอยู่บ้างก็ทำได้เห็นไหมก่อนจะนอนเนี่ยปิดทีวีอยู่คนเดียวทำได้เลยในห้องพระก็ทำได้ไม่ต้องไปที่วัดรู้ลมหายใจนี่เป็นรูปแบบหรือการเดินจงกรมการเดินแต่ละครั้งใให้รู้สึกเนี่ยให้รู้สึกอย่าเดิน ฟ, ฟรีๆเติมมารู้ไปด้วยอันนี้ก็เป็นการปฏิบัติได้อย่างผมนี่ เนื่องจากว่าสภาพร่างกายที่พิการเมื่อก่อนมีการเคลื่อนไหวแค่เพียงมือข้างเดียวเท่านั้นผมก็นอนไม่นอนปร่เราเปล่านอนพลิกมือเล่นพลิกมือหงายรู้สึกพลิกมือคว่ำรู้สึกพลิกมือหงายรู้สึกคว่ำรู้สึกรู้สึกตัวเวลามือมันเคลื่อนไหววันวันทำแบบเนี้ยไม่เบื่อไม่เต็งคือมันเต็งเพราะจิตมันไม่มีอะไรทําแต่พอมีงานทํามีคของสึกตัวทําเนี่ยมันไม่เต็ง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 หลายใครรู้สึกว่าลกลังเมื่อยบ้างโอ้นี่เป็นอภพาตบนแล้วเหรอผมนี่ไม่เมื่อยอยู่คนเดียวนะอ่าแปลว่าเราไม่รู้ตัวรู้ไหมว่ากำลังคิดเรารู้ว่าเรากำลงังปวดกำลังเมื่อยเนี่ยเรารู้ทำเลยนะเวทนาเนี่ยเป็นธรรมะมันเมื่อยมันปวดถูกแล้วร่างกายมันทาหน้าที่ขอบคุณมันที่มันทาหน้าที่ปวดเมื่อย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 นั่นคือส่วนร่างกายการเจริญสตินี่มันแบ่งนะว่าอะไรคือกายอะไรคือจิตมันพ้นได้ตรงนี้กายเป็นทุกข์แต่ใจไม่ทุกข์ใจที่ไม่ทุกข์สามารถแก้ไขร่างกายให้มันทุกข์น้อยได้เนี่ยคือเจรสติร่างกายที่เป็นทุกข์เจี่ยวข่ายได้ป่วยเราห้ามไม่ได้หรอกห้ามได้ไหมแต่เราสามารถเจริญสตินําจิตออกจากความทุกข์ทางกายได้อันนี้คือสิ่งมหศัศจรรย์ ยิ่งจลศติเป็นานานเนี่ยมันจะเห็นส่วนละเอียดที่มันมากกว่านี่ละเอียดมากเห็นจิตที่มันคิดที่เราเจลศริรู้ ก, กายบ่อยๆเนี่ยเพื่อให้จิตมันละเอียดนะให้สติมันตื่นรู้เพื่อหเห็นจิตที่มันคิดจิตที่มันคิดนี่แหละมันนำความทุกข์มาสูตรชีวิตเราทุกทางกายนี่ไม่รุนแรงนะแต่ที่มันรุนแรงเพราะว่ามันคิดปรุงแต่งใช่ไหมเวลาเราเจ็บป่วยปวดท้อง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 ให้ความอยากเป็นนายใช้เราแล้วก็เสียเงินเสียเวลาเสียสุขภาพเพราะความอยากมันใช้เราใช่หัหยเราขาดสติรู้ไม่ทันมันเรารับมุกขมเข้ามาเขาแล้วบางทีมันเกิดความโกรธนะมีความเกิดความโกรธไม่พอใจหงุดหงิดเราก็ไปด่าไปว่าไปทำร้ายติดคุกติดตารางเพราะความโกรธมันใช้กายใช้ใจเราเนี่ยเสียอนาคตไปเลยก็มีนะเราไม่ได้ใช้ตัวเราเลย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 รู้ตัวไม่ต้องไปห้ามความคิดไม่ต้องไปห้ามอารมณ์เรารู้สึกตัวเฉยๆความรู้สึกตัวเนี่ยมันจะคุมจิตใจไว้คุมกําเนิดความคิดได้ไม่ยัง ก, กับผมนั่งอยู่เนี่ยเก้าอี้เนี่ยไม่มีใครมานั่งซ้อนผมอเพราผมนั่งอยู่แล้วเก้าอี้เป็นเส ม, มือนจิตคนนั่งเป็นเส ม, มือนความรู้สึกตัวเมื่อมีความรู้สึกตัวเนี่ยมันคลองอาณาจักรของจิตเอาไว้ถ้าความคิดจะปรุงแต่มมันก็เห็นนายอย่าเข้ามานะ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 คิดด้วยกิเลสเนี่ยจะต้องเอาให้มากคิดให้มันดีคิดให้มันเด่นคิดให้มันดังทําไมได้อยงใจแล้วก็คิดโกรธแล้วก็นอนไม่หลับเป็นโรคจิตโรคประสาทก็เพราะความคิดแบบด้วยกิเลสพอสุด้ายก็เป็นทุกข์ฆ่าตัวตายเพราะกิเลสผาปแต่พอเราเจริญสติแล้วจะมีความคิดแบบใหม่คิดด้วยสติคิดวางแผนต่างๆคิดเกื้อกูล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 หักมุกความโกรธหักมุกกีเลสไปเลยอันนี้คือทางหลุดรอดและเสร็จแล้วจิตเราก็สบายทุกครั้งที่เรามีความรู้สึกตัวเนี่ยมันจะพาจิตตื่นออกมาจากความคิดและจิตก็จะสดใสแล้วก็บริสุทธิ์จิตเมื่อไม่มีการปรุงแต่งจิตก็จะบริสุทธิ์ผ่องใสเป็นอิสระเป็นความสุขสูงสุดเลย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 เมื่อมีสติมีสมาธิก็จะนำปัญญามาใช้แก้ปัญหาชีวิตเห็นเวลาเกิดปัญหาชีวิตอย่าตกใจตั้งสติให้ได้ก่อนพอสติเกิดนี่เดี๋ยวมีกระบวนการของการแก้ปัญหาผมก็ยกตัวอย่างคนตกน้ำแม้ว่าว่ายน้ำเป็นก็ตายได้นะถ้าตกน้ำแต่ตกใจเนี่ยตะคิวกินแก้ปัญหาไม่ได้จมเลยถ้าตกน้ำอย่าตกใจตั้งสติให้ได้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 ทานยาเป็นประจำํำบางทีก็หายบางทีก็ไม่หายให้ก็มาฝึกจิตให้ฝึกจริ้สติไม่ถึงเดือนนะเลิกทานยาเลยโรคบางอย่างเนี่ยเกิดจากความเครียดความคิดทั้งนั้นนะส่วนหนึ่งของการเป็นมะเร็งนี่ก็คือความคิดที่มันเครียดโรคกระเพาะอาหารโรคหวัวใจโรคความดันเกิดจากความเครียดที่มันเกิดจากความคิดทั้งนั้นฝึกสติทําความรู้สึกตัวเนี่ยอันนี้เป็นพิจาร ของความเครียดเป็นยารักษาเพื่อเป็นธรรมะโอสเนี่ว่ายาสามันประจำใจอย่าไปประจำบ้านบ้านไม่ได้ป่วยยาสามันประจำไปคือความรู้สึกตัวเมื่อมีสติเนี่ยเราจะไม่เป็นคนขี้หลงขี้ลืมสังเกตดูสุขภาพกายดีสุขภาพจิตดีเนี่ยการงานมันก็ดีการงานดีเนี่ยสุขุพธภาพชีวิต ก, ก็ดีคนขาดสติจะมีขี้หลงขี้ลืม ที่ลืมลืมบ่อยๆแล้วก็มังจะทำงานผิดพลาดเคยไหมเคยผิดพลาดไหมผิดพลาดแล้วก็ไปเคหวัวตัวเองโตสงสารหัวมันมันไม่ผิดหรอกเราขาดสติมากกว่านั้นความผิดพลาดต้องแก้ไขมีมากเพราะเราขาดสตินี่นะชีวิตก็ไม่ปลอดภยัยเขาบอกว่าคนไหนมีคุณธรรมมากน้อยในวัดกันที่สตินะคนที่มีคุณธรรมมากคนที่สติมาก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 มีความอดทนสูงแล้วก็มีเมตตามีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่อบอ้อมอารีเนี่ยเป็นคุณธรรมของสติทั้งนั้นเลยที่สะพานก็คืออายชั่วกลัวบาปคนมีสตินี่จะมีเครื่องยับยั้งชั่งใจนะก็เลยมีห้ามร้ออายชั่วกลัวบาปเมื่อใดที่มีสติเมื่อนั้นมีกุศลธรรมเกิดขึ้นในใจอกุศลธรรมก็จะหายไป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 ยังมีหลักธรรม ท, ที่มีวิธีการปฏิบัติที่ให้เราพิสูจน์ได้ปฏิบัติตามได้คงทนต่อการพิสูจน์สอห้าร้อยปีเรื่องบางอย่างเนี่ยถ้าเป็นประโยชน์แต่เราไม่ชอบใจเราก็ควรจะทำนะเป็นประโยชน์แม้เราไม่ชอบใจเราก็ควรจะทำอย่างเช่นว่าอาหารเนี่ยอาหารเนี่มีประโยชน์แต่เราไม่ชอบกินเราก็ควรจะกิน ยานี้เป็นประโยชน์เมื่อเรามีโรคภัยคข้เจ็บจำเป็นต้องกินยานี้แต่เราไม่ชอบกินเราก็ควรจะกินก็เพื่อตัวเราการปฏิบัติธรรมเนี่ยบางทีมันน่าเบื่อนายแต่เป็นประโยชน์เราก็ควรจะทำเพราะนั้นบางสิ่งบางอย่างเนี่ยมันไม่ถูกใจเราแต่มันถูกต้องเราต้องเอาความถูกต้องไว้ก่อนไอความถูกใจเนี่ยบางไม่ปลอดภัยนะ บางทีมันถูกใจกับกิเลส ข, ของเราที่ทำให้เราไปทุกข์ต่อไปภายหลังก็ได้เอาความถูกต้องไว้ก่อนละความถูกใจซะทําตามความถูกต้องนั่นเราถูกต้องที่สุดลองพิสูจน์ดูนะนักวิทยาศาสตร์ทางจิตอย่าประมาทในชีวิตเพราะว่าชีวิตเราเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงในทุกเวลาอย่าประมาทพยายามที่จะปฏิบัติ ท, ทําไว้ก่อนตอนเนี้ยร่างกายเรายัางแข็งแรงอายุยังน้อยอยู่ ยังมีความทุกข์น้อยอยู่สนใจกับธรรมะปฏิบัติธรรมะไว้ก่อนเตรียมตัวเอาไว้เพราะว่าชีวิตข้างหน้าเนี่เราต้องได้เจอแน่นอนความเจ็บไข้ได้ป่วยความแก่แล้ว่าความตายความพัดพลากจากสิ่งที่เราลักความผิดหวังเราจะต้องเจอแน่นอนแต่ถ้าเราไม่มีสติไม่มีสัมปชัญญะไม่มีปัญญาเอาไว้แก้ปัญหาตรงนั้นเนี่ย